นิมิตังสาทุรูปานังกาตัญยูกะตะเวทิตาสเพสังขาราทุคาติยะธาปัญญายปัสติอัฏนิพินทติทุเคเเอสะัมะโควิสุติยาสเพสังขาราทุานิจาติยะธาปัญญายปัสติ อาทนิพินทติทุเขเเอสามมโควิสุธิยาีีก็ลรับต่อไปนี่ขอเวลาของปอแม่ปีน้องสักพักหนึ่งพันนี้เพื่อเขาได้มาแสดงออกถึงความไหวอะไรแกไม่ให้ถึงเป็นเปื่อนบานของเขาในโมูหนึ่ง ถือว่าเขาได้สูญเสียสมาชิกของหมู่บ้านไปนคนหนึ่งคุณเป็นลูกก็ได้สูญเสียผู้มีพระคุณคือป่อแม่ไปญาติพี่น้องก็ถือว่าได้สูญเสียอีปานาอาในฐานะติป า, ายเป็นเป็นนั่นนั่นหมู่เขาทั้งหลายก็ถือว่าได้มาทำหน้าที่เป็นผู้รวมสุกรวมตุก ร่วมวิบากที่เกิดมาด้วยกันนั้นทามาแล้วอย่ากคือตั้งใจไปสมาธิสักน้อยหนึ่งนะผลที่มาแล้วก็มานั่งสงบสบายเพราะว่าช่วงที่เฮาอยากสบายก็ต้องใจเฮาสงบนี่แหละถ้าใจเฮาสงบก็ถือว่าเฮาได้มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นเพอ ว, วันวันหนึ่งผ่นไปในี่ใจเฮามันบกคลยสงบเนาะมีสปะเกิดขึ้น เพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นให้ใจเขาวุ่นวี่วุ่นวายใจเขาทับสนใจเขาเบิสงบนี่มันนักเทือเหลือหลายสิ่งกลางใจเสียงกลางเหนียมมากระทบตลอดเวลาก็อย่างเขาจิตใจเขากระตุ้งหุ้งหิงหงุดยิดวุ่นวี่วุ่นวายใจเบิสงบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเขาได้เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยเป็นที่เกิดของโรคเนาะจิตเขาเป็นโรค เราเป็นโลกที่บิสงบทะโลกข อ, ของความบิสงบดังนั้นเขาตั้งหลายเกินมาเป็นมนุษย์ บ, บ่ถึงร้อยปีส่วนใหญ่นะตายกันหมดทีนี้ก่อนระยะที่เขา บ, บ่ถึงถึงร้อยปีเนี่ยให้จะอยู่จะได้คือมันอยู่สบายใจสงบทนะามาก็พยายามที่จะเอาเรื่องเนี่ยมาฟังพ่อหามาก็เนี่ยคือเป็นตัวอย่างว่าตลอดชีวิตนะที่าม้า ออกบวชมาเนี่ยสามสิบิบปีแล้วก็รู้สึกสบายมาเป็นสบายสงบเราก็อยากขื้นมูปี่นอ้องอยากที่ปีน่องบ้านไปปานถึงบ้านนะ่ยถือว่าปี่น้องกันมดจะมาอยากทั้งหมดบั น, บ, นบันใจพระเจ้าหนเวลามีคนอยากที่ปีน้องตายขึ้นก็ถือว่ามาเป็นเจ้าภาพงานซบร่วมเพราะนั้นทุกงานที่อามามาร่วมเนี่นมาบริได้บอกลุงหนานตันว่าบร ไ, ได้มาเตะเดอ้อมาป้า พ่อแม่พีน้องเราก็มานังอู้กันฟังก็ร่วมเป็นเจ้าภาพตัวทุกขั้งไปไนะเว้นแต่ บ, บ้านประรัศซักเดอตอนนั้นเอาเงนินติดห้องนะถือว่ามีอันจะกินเลยนะแต่สำหรับโซพทั่วไปเนี่ยหลวงพ่อก็ไปเอาแต่ได้พ่ออย่างพ่อว่าเขาเหมือนญาติกันก็มีทางเดียวก็ต้องจวยกันแต่ว่า เมื่อมาช่วยกันก็คืออย่ามาอู้กันฟังว่าเอเขาอยากจะได้นะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาจะได้มีความสุขที่สุดเพราะอย่างเวลาตายไปแล้วนี่ยากนะอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แถมนะเพราะว่าคั้ที่เขานี่มันมีแปดตังไปตังทุกี่สี่ตงไปตังซุกี่ส่ตังแต่เขาอย่าไปตังทุกตังทุกหรือตังสุกเนี่ยมันหู้กันตอนไหนเป็นมนุษย์เนี่ย นในช่วงนี้เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีความสุขหนักหรือความตุกหนักคําว่าตุกในที่คือตุกใจตุ ก, เอ า, กา เ, เอาใจเป็นเอาใจเป็นรักนะซุกใจหรือตุกใจแต่เรื่องร่างกายเนี่ยความสุกความตุกของร่างกายนี้เอาเป็นประมาณโบได้พ่ อ, อยังพ่อว่ามันเกิดง่ายหายเร็วเอาเป็นประมาณโบได้สมมุติเราฮอนเนี่ยไป น, นัง่งหน้าพัดลมสกักคำมันก็นเย็นเลยอยู่ก็แต่ว่าถ้ามันตุกใจนี่นะ มันห่อนใจขึ้นมาได้ไปนั่งแจ้พราะลมมันขำเหมือนกบใบเยน็นน่ะใจนะเออนี่มันยากแต่เนี่ยเพราะนั้นถ้าใจมันห้อนมันห้อนเหวี่ยะห้อนเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีแต่ห้อนกายเนี่ยไปอาบน้าไปพัดลมเปิดแอร์สบายละนะเพราะนั้นเนี่ยจะได้ห้อยอย่าปวทุกข์ใจเนี่ยจะฮึมมายากกันมาก็พยายามศึกษาหรือนี้มาตลอดนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยศึกษาเนี่ยจะได้ฮึม <c oughs> ใจสบายใจสงบ ไปเนีา่มาตลอดเมืออ่อนญาติแล้วเอไปบอกเอาไปบอกญ า, กาติปี่น้องก็มีคนฟังผ่องคนฟังกับฟังเฉยๆบอกเอาก็มีฟังแล้วไปญาติกับน้อยที่เขาก็บออยากเสียเวลาเนาะเขาก็เลยไปสอนบ้านอื่นเมืองอื่นไปไปภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานไปต่างประเทศเต่าที่เขานิมนต์ไปเมื่อไปแล้วเขากไปบอกเรื่องเนี่ยนาติจะได้ใช้ใจสงบเขา ไปบางตีเขาก็ยากตัวหนักนะครับอย่างไปฟังเซธเทวนี่ปีปีกรุ่นไปคนเข้าประมาณสัก40แต่ปีนี้ปรากฏว่าเป็นหกบคนเออสแสดงว่าเขาฟังแล้วเข้าใจเขาก็นิมนต์ต่อไปแหนต่อไปเยอรมันต่อไปสเปกต่อไปออสเตรีย ต, ต, ต่อไปอิตาลีโอเมันใกล้เข้าเป็นสายห น, น่อยกับบานบทถูกเนาะก็เลยกล้ากล่มกล้ามาเข้าเป็นสายหลายแม่ไว้บนดอยหลายเดือน เลยเก้ามาหาแกน้อแกเอาแกไปปล่อยไว้บุญร้อยพูดน่ไปสิามไปสิปีนี่แกก็ยังแข็งแรงอยู่นะไปไปหันไปนั้นบอกบุญธรรมเด้อน้องไปพอร์เด้อแข็งแรงไปเข้าป่าหาเห็ดหาหอยหานมไม้เรื่องพระเรื่องเจ้าอยู่จึงวันแข็งแรงนะดังนั้นบ้านเฮาเนยจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนนะไปเดี๋ยวนี้กำลังเอาเจ้าบ้านมูเช็ดไปเดี๋ยวนี้ผมได้ผู้ใหญ่ใหม่น้อเฮาก็เลยว่าผู้ใหญ่ใหม่มาสมานรัชชน่นะ มีก่อนๆพื้พนวันแตกล่าวกันเีนี่เอ้าสมานชันวัน15คหาคำขึ้นไปกินข้าวหนูกันพุทธพเลยนะข้าวม้อแข็งมอ้อกินบอดอยพื้ น, ม, นมือหนึ่งมเก้าไปขึ้นไปฟองด้วยโปเชียเนี่ย <laughs> ตอ น, นี่มูอเจ็มวนขนาดเลนะ่นพากันทาวัาสวดมนต์แล้วกินข้าวด้วยกันทา ง, งานด้วยกันก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศมีความสุขฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเรียกว่านี่สมานิันของแกนะ ตอนนันเาจะชบ้ขอสาวน่ะชาวบบัดบัดดอยอันนั้นก็ยาทีพี่น้องปันนี่เขามาพือเกียรติกับครอบครัวของเมียให้เจ็ดสิบเก้าปเยวังโนยังอยู่ก่อไปแล้วเอาไปแล้วแหละโอโอ้ไปเหมือนกันเนาะไปแล้วทีนี้่จะได้เขาเยวังสบายนะเอามานะเอามาตั้งแต่มา <c oughs> บอตั้งแต่อายุสักสามสิบสี่สิบปีมนี้นี่บอใครเจ็บใครได้ป่วยละบอกเคยเข้าโรงพยาบาลนักเด็กพราะว่ายัางพเพราะเอาใจวิธีรักษาสุขภาพง่ายๆนะจับมอไว้เดอง่ายที่สุดแล้วตื่นมาไม่เจ้ากินนะําอุ่นอุ่นๆนะขวดหนึ่งนะขวดโพลาลิตนี่นะแต่บปจะกินตัวเดียวนะกินเรื่อยๆภายในยชั่วโมงเดียวเนี่ยมดกินทึงวัน พ่อมันเข้าไปล่างลำไส้เฮาลำไส้น่อยลำไส้ใหญ่เนี่ยพ่อว่าเฮาวันเฮากินสมเต่อถ้าสมมติว่าเฮาทายบมดเนี่ยตัวที่มันเหลวอย่างน่ะม่หยัดเป็นโรคไัยไข้เจ็บมันสั่สมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการกินน้าอุ่นเนี่ยมันอย่าล่างตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ถ้าวันใดล่างบมดดีท็อกทำดิท็อกุ่ยมันนะล่างไปมดล่างกายเฮาก็บมิสารตกข้างกันนี่นะบมิสานตกข้างเฮาก็เลยบวดเจ็บปวป่วยบวเจ็บปวป่วยสักเต่อ น้ำกบจะได้ซื้อคุณยายเก่งได้ซื้อน้ำกินนี่ก็กบจได้ซื้อนะนะน้ำดีๆน้ำฝนเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาต้มเจ้าคือหมายเจ้าต้มน้ำก่อนต้มน้ำแล้วเขากะเอาน้ำเย็นมาขวดเนาะเทออกจากแก้วหนึ่งแล้วเขาเอาน้ำห่อนใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นน้ำอุ่นอ่ากลายเป็นน้ำบุ่นกินทังวันนี้หนังสือเล่มหนึ่งว่บมหัยจันมหัยจันน้ำอุ่นนะ ถ้าไครคอ่านก็อย่าไปช่วยกันพิมพ์เล่มละสิบาทสามสิบบาทเอาไปอ่านมีวิธีกินกินแล้วเขาก็อย่าทายมดเนาะทายมดเราเวลาไปกินเข้าเจ้าเป็นอาหารไม้ถึงมดอาหารเกาในไล่ออกมดก่อนเมื่อไล่อาหารเกาออกมดแล้วอาหารเหลือแต่อาหารไม้ก็เป็นกําลังกายแต่ถ้าหากวันถ้าคนหนึ่งวันหนึ่งถ้าบมทายเลยน่ยอันตรายเนี่ยสัญญาณอันตรายน่ย เพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันต้อ ง, ต, องต้องทายของเกาคือมดแหววของไม่เข้าไปถ้าสมมติดอกของเกาบดตันตออกไปเนี่ยมันจะบ่อของไม่เข้าบ่อของไม่เข้าไปเดียบอยอมต้องไล่ออกพึ่งมดเพราะย่านเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีของง่ายๆเนี่ยเขาบ่อขี้บถึงนะข้บถึงดังนั้นพอแม่พี่น้องเขาไปหวังว่าเออเวลาแกเมื่อก่อน เ, อาเอขาจะุกทาบุญเราเวลาตายไปก่อนเอาไปขึ้นสวรรค์ มันหวังบ่ได้นะ่ะขนาดเทามีชีวิตเจใจมีท่าสีขัน5อยู่นี่ครบทุกอย่างเฮายาความสุขบ่ได้ตายบ่ได้มันไปเย่อครบเหมือนบอครบเฮายาความสุขได้ยังไงเพราะฉะนั้นหมายเพื่อว่าสวรรค์ทางหน้าบุญก็ยังหวังบ่ไ ด, ด้แต่ว่าเอาสวรรค์นในอกในหลุกในใจนี่ก่อนนะคือหมายเขาว่ายังแต่ว่าคําว่าคือ ม, มีความสุขในที่หมายความสุขใจนะความสุขความทุกตั้งกายเนี่เอาเป็นประมาณบ่ได้ พ่อว่าอย่างพ่อว่าเขาควบคุ้มได้แต่ชี้ใจของเขาเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติสมรักรรมฐานมันควบคุ้มได้มันจัดการได้เหมือนไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากว่าเขาก็ครบคุมมันบ่ได้เนี่ยเขายังไม่ใจเยี่บ่ได้นะมันจะชดเขาเขาควบคุ้มได้เขาก็ไม่เป็นแสงสวางพ่องเน่ยได้สักวเขาก็เลยสร้างกําเนิดไฟฟ้านีิมาจากหยังพ่อง หนึ่งมาจากเครือนสองมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินสามโรงไฟฟ้ า, า น, น้ำมันสี่แก๊ส ด, ด้วยแหละอ่าย่างบวูหูเดือดแก๊สนี่นั่นแหละอ๋อแก๊สมาอ๋อกแก๊สเนอะออการ์ดออห้ากัพลังปรมาณูนิ้วเคลียร์นี่ยเนาะอย่างญี่ปุ่นเขาใจ <c oughs> แต่ว่ามาไปเยอรมันเที่ยวีวนี่ปรากฏว่า อากาศทังยุโรปเขาสะอาดมากแล้วพ่อเขาบทเจ้พวกนี่เลยมีโรงพยาบาลเอ่อมีโรงไฟฟ้าทานหินอยู่หันหลงเดี๋ยวชาบ้านประท่วงขเขาเลิกนะพ่ออย่างพ่อทานหินเวลาเผาไหมขึ้นไปแล้วมันเป็นก๊าดพิษเนาะเวลาค้นหายใจเข้าไปแต่แม้หมอกเขายังใจ้อยู่เยอะก่าค้นกระจายเพราะนั้นเขาคือความสําคัญอากาศมากที่สุดเลยนอกจากน้ำนะอ า, า อ, อากาศเพราะอาการเขากิ่นตลอดเวลาหายใจเขา้าหายใจออกตลอดเวลาเยอ เออหน้าได้ยังกินพ่องเอาไปกินพ่องแต่อาการเนี่ยยชัมม่วโมงถ้าอาการบริสะอาดเนี่ยเพราะนั้นเยอเลอมันเขาก็เลยลงทุนฮือบ้านตุกบานเนี่ยสามารถกู้เงินรัฐบาลมาติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคานอกจากไฟได้ใจในบ้านแล้วถ้าเหลือขายให้รัฐบาลบางตี่คนมีห้าไหลหไหลสิบไหลเอาแผงโซลาเซลล์มาใส่มดเลยหนาหนาโซลาเซลล์บนในหนาาเข้าอะไรด้น่ะ ยงถ้าผลิตกระแสได้สมมุติว่า100่ลลวลนเนี่ยต่อเดือนขายรัฐบาล50่วนเอาไว้จ่าย้าบวนที่ขายรัฐบาลเนี่ก็เอารัฐบาลขัลงทุนทุกอนสมมุติว่าลงทุนเฮ้ยสามมืนเนี่ยก็หมายความว่าเอาเงินที่ได้จากกระแสไ้้านเนี่ยจ่ายไปผ่อนไปส5หปีก็30ปีก็นี่วิธีนี่เขาปรากฏว่าตังประเทศยุโรปเนี่ยเขามีส่วน สร้างหรือส่วนผลิตสิ่งสาธารณะู่โภคบวนาบบวกรีฟ้าแต่บ้านเฮานี่ถูกภูขาดมดเดียวของที่มันจะใจ๊บริโภคในภูขาดมดแต่ว่าทั้งประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาช่วยกันสร้างช่วยกันใจ๊ถ้าเหลือก็แบ่งปันคนอื่นอากาศเขาเลยสะอาดตั้งแต่ไปมื่อนี้นะ่ะประเทศออสเตรียกับประเทศนอร์เวย์สวินอากาศดีที่สุดนะ่ะอากาศบริสุทธิ์หายใจแล้วโล่งเลยคู้สึกเลย แต่บุตรีไปที่ไหนหาการบุตรีเนี่หายใจฟืดเนาะแต่ว่าดีหายใจโล่งรับสบายเพราะนั้นอากาศเนี่ยเฮาใจตลอด24ชั่วโมงเฮาบอกใครคือความสัมคัญดินน้ามล้มไฟหลังกายเขานะดินน้าดินคืออย่างดินคืออาหารที่กินทึงวันอาหารที่กินทึงวันในแดดถ้าหากว่าเฮาใส่รสจัดเกินไปเค็มจัดเกะเพรจัด ก, กะหวานจัด ก, กะเนี่ยพวกนี่เป็นพิษ ต้องใส่น้อยๆพอดีพอดีนะเพราะนั้นถาดดินของเขาร้องดินเข้มดูไปจะได้พ er. ่องเขาอยางไปปลูกบวขึ้นเขากินเข้มหนักไปจะได้พ่องร่างกายเขาก็เสื่อมย่ก็ถ้าดินนี่เปรี้ยวเกินไปก็ปลูกอย่างบวขึ้นถ้าร่างกายเขาใส่เปรี้ยวกันไปถ้าดินเนี่หวานเกินไปเขาก็ผมพูดร่างกายเขากเหมือนกันถ้ามันลดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเพศจัดร่างกายเขาก็แย่เหมือนกันแต่บนเขานี่ถ้ามันบวจัดบวล้ําอยู่อ่ะกินแล้วบวล้ํากินแล้วบวมีแหวงใส่น้ํา ปใส่ยังเข้าไปสารพัดอย่างร่างกายเขาก็เลยขาดดินเลยเสียแถมน้อยก็เป็นอย่งเป็นโบว์หวานเป็นหัวใจเป็นกระเพาะเป็นไตเป็นมะเร็งเป็นละ่ะเนี่ยแต่ว่าค น, นไหวใจวันเขาแต่จะไม่ได้แต่ไม่จะได้กิน <laughs> เออน้าของให้ตายไม่แน่โดังนั้นเขาไปถือภาษีจะอันบวจะได้นะ่ะพราะอย่างพราะว่าเขาจะชุกสบายเมื่อมันชุกสบายในจานนี่ จัดต่อไปไปหวังบ่ได้ถ้าเขาซุกในจันนี้สัตว์ต่อไปเขาได้สุกแห็มแต่สุขต้องย้ำแล้วยังมีกครซุขในที่ต้องสุกใจนะร่างกายเนี่ยมันสุขบ่จะได้ห้อนหนักมันก็ต้องลําบากหนาว ก, ก็ลาบากร่างกายเหามันตุกเพราะหนาวเพราห่ อ, หอนเวลาไปแา่ง ก, กันานักโดยเฉพาะบ้านเฮา น, น, นี่มันเอาเนาะแย่งอย่างน้อยเหือแตกย่งอย่างน้อยเหือแตกถ้าไปอยู่บ้านเปิดบางกันวันเป็นวัน เป็นวันเป็นอาทิตย์กับบ่มีเหื่อแต่บ้านเฮาในอย่างน้อเหต <SU ục> ุเพราะฉะนั้นมันก็ถัดไฟมันเกินบ้านเฮาหนะถัดไฟมันเกินเมื่อถัดไฟมันเกินแล้วมันก็ไปอย่างเหือเฮาเนี่ยเสียกำลังแล้วเสียวเล็กๆน้อยๆในร่างกายเขามันไถ่นักเมื่อเสียวมันไถ่นักแล้วมันก็อย่างเหือครับไอของเสียออกบริจาเขาก็ทายบุคคดีเมื่อร่างกายเขับของเสียบริจาแล้วมันก็เลยไปอย่างเหือ เกิดโรคมะเร็งเสซลมะเร็งต่างๆเกิดขึ้นละมันไปร้วมกับยูนิ่กระเพาะอาหารพ่องก็เป็นมะเร็งกระเพาะไปลวมกันลำไส้กับมะเร็งลำไส้ไปรวมกันมดลูกกับมะเร็งมะลูกไปร้วมกันที่ปอดกับมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังพ่องอากาศฮ่อนบางทีฮ่อนต่อหนึ่งทั้งวันเนไปทํางานกยางตรงนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังดินนะน้ำ ดินนี้คือหมายถึงอาหารนะอากาศว่ามาแล้วนา้นาน้ำที่เขากินเนี่ยทีกี้อูกับพงยีจิงว่าบ้านเขาในกลิ่นนา้าบาดาลหรือว่าน้ำฝนหรือว่านา้าบ่อลึกหรือว่าน้าซื่อส่วนใหญ่กินน้ํนนนาซื้อเนาะน้าซื้อน้ําควรเนี่ยเขาบนในใจว่าเขาน้ามอย่างมาให้ก่อขายเขาเนี่เขาเคยเจอใหพ อ, อพพก็พงยีจิงบอกเคยพอไปถึงบ้านเลยว่าเขาถ้าเขนาน้าบ่อเลืกมันก่อควรขายขเขาด้ไปโหู้ยังก็ เขากินกันเอาไปน้ำสะอาดแล้วบอเคยอยเอาเครื่องอย่างมัฟฟี่สูนรเลยเพราะฉะนั้นท่านี่ความรอบครอบในการบริโภคขเขาเนี่ยมันเกิเลยยะเขาหลังกายบอคดีต้องรอบขอบน้อยหนต้องพิสูจน์เขามีน้ำพิสูจน์อยู่อยงก็ว่าน้ำนี่มีข่านั่นแต่ใดแต่ใดเนี่ยคนที่เห็นสารน้ำุกบรรเทามีหลายคนนะดินน้ำไฟดินน้ำแล้วก็น้ำที่ส่วนใหญ่แห่ที่เขากินเข้าไปบุคคลที่กินน้ำเครื่องดื่มทั้งหลายนะ เปปซี Pepsi, Cola, ่โคลาน้ำแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไปย่างให้ร่างกายเอารับเอาส่วนเกินเข้าไปแล้วก็นา้าที่บุคคลไอ้กินย่างน้าอย่างน้ำเมาะอะไรก็น้บโขงน้ำมะยมบกินไปกินน้ำใบโขงน้ำสาวกินบกินไปกินน้ำสี่สิบเอ่นาน้ำควละ5าบาทบาทบุกินไปควรละสีิบบาทเอาี่กินเข้าไปมันก็นย่งยงางเขาร่างกายบุสบายนา้า ห่อนนะหมายถึงน้าดิกี้ดินน้ำลม้มคืออากาศเนี่ยขาขึ้อยู่ในอากาศปกป้วงอมากก็ได้สบายอยู่บนดอยอมากไปไหนดีไหนเลือกอยู่บนดอยไว้ก่อนเนาะอากาศมันสูงอากาศมันสบายมันก็นย่าพ่อเรื่องล้มเนี่เขาใจมันตลอดยีชั่วโมงนะนอนรับเขาก็ต้องใจเขาก็ต้องกินเพราะนั้นนะย่าจะได้คืออากาศมันดีจะต้องต้องอยู่ดินน้ำโลมไฟของเขาเอาตจอไปจี้ใจ เนบ้นเาร่างกายประกอบด้ยวยธาตุหกเยอดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเรียก ว, วา่าธาตุหกอากาศเดว่าม่อไหนะแล้วกับเรื่องของลมคำ น, นะเรื่องของลมลมหายใจของเขาเนี่ยอยากจะห้หายใจลึ ก, ลกข้อร่างกายของเขาเนี่ยว่ามันมีถุงลมในปอดอยู่สมล้านสมล้านกรถุงถ้าหากว่า เขาหายใจตื้นเนี่ยถุงลมของเขามบรรับออกซิเจนเบาๆแล้วร่างกายเขาอยู่บ่มีกํำลังเขาทํางานเขาอิจเขาเหนื่อยเขาเมื่อยเขาหิวเนี่ยก็เมื่อจะไปกินยาบำรุงแต่บอกเคยว่าอย่ามาดึงลมหายใจวิธีอย่างแข็งแรงบางอยางคือหายใจลึกๆบ้นเขาหายใจตื้นเดียวก็หายใจลึกๆเนี่ยจะได้หายใจลึกก็ตื่นมาเจ้ามาในคณะที่กินน้าทําลมปราณทำโยคะเก่งช่วโมง นะทำโยคะเกลื่อนชอ่วมงเซ็ตแล้วก็ไปฟอกเลือดฟอกออกซิเจนแหมงเกลื่อนชอ่วโมงฟอกใจได้นั่นต้องขึ้นไปวัดดอยถ้าบอกขึ้นไปวัดดอยมือหูเรื่องนะี่ยถูก15คห้าจะมีการวิธีการฟอกเลือดฟอกให้ฟอกออกซิเจนสู่หลังกไก่บ้านปูเจ็ดได้รับอนุสวงก่อนหมูหัวบ้านหมูหนึ่งหมูเก้าเนี่ยังมีอนุสวงมาได้นะหมูหัว <laughs> ถ้าเกิดใจได้วันผ่าสิบห้าคได้ว่างนะขึ้นไปเฮียนโฟเดอร์ ถามบ้าหมูเจ็ดก็ได้บ้านมูเจ็ดไปยียกันเออเฉพาะคนขึ้นดอยคนบุขึ้นกับมีเด้อเมื่อเดียขึ้นกันทุกคนอ่าเฉพาะคนไปดอยน่ะกำนันดาเนี่ก็ไปฝึกระแล้วนี่นะฝึกระแล่นก็ได้เนี่ยชุดขาวๆนั่งข้างหน้านี่ฝึกมะแล้วทุกคนนั่นเด้อไปเหียบแล้วก็เพล่ยนก็ได้นะอันนี้เมื่อเดียวนี่วิทยาการนักษาสุขภาพของเก้านะแต่เขาบอกใครที่ตามเนาะเขาก็เลยจะเข้าไปหาใหม่หากินมุนมุนคุณสุขกันจะอันเขาเลยบอได้มาศึกษาเรื่องนี้ แต่สําหรับคนมีหน้าที่การงานดีน้อยมีการศึกษาดีน้อยก็มักจากใจได้ใจซื้อเนาะใจอินเทอร์เน็ตใจอีเมลใจเฟซบุ๊กใจไลา์ใจอย่างจาง ม, มุนี่จะรับมาใชจได้นักมันจะอย่าเผยแพร่โดยสิ่งเหล่านี้ทุกวันออกมาเผยแพร่ไปทั่วโลกใจเนี่ยใจเฟซใจไลน์อย่างมุ น, นี่กัอยู่กับว่าด้อยเนี่ยจะว่าซื้อได้ทั่วโลกพอใจพวกนี้ออกไปด้านวิธาการต่างๆ ท, ที่ออกมาเนี่ยเขาจะต้องศึกษาต้องใจเพราะโลกสมัยนี้มันบบเหมือนโลกสมัยก่อน เพราะโลกสมัยนี้มันมันไปเลี้ยวนะไปเรีว้วเมื่อไปเลีว้วแล้วเฮากลต้องก้าวมันตันน้อยแต่ถ้าก้กาวบดตันเฮาก็เลย ว, ว่าใจของที่ดีบดได้อยังเฮาได้อ่าบดได้รับความสะดวกสบายในชีวิตดังนั้นแม่พี่น้องบ้านหมู่หนึ่งหมู่เก้าหรือหมู่อื่นกระามนะถ้าต้องการศึกษาเรื่องสุขภาพฟอกเลือดตัวเองได้จะไดบดเป็นเบาหวานจะได้บดเป็นมะเร็งจะได้เออ คนไดบริจาคเป็นมะเล็งได้จับฟังคือดีตื่นมาไม่เจ้ามะนาวหนึ่งลูกนะบีบเอาชนะมานะถ้าหากไปพาบีบมันได้น้าบรเต็มที่แต่ถ้าหาเขาใช้เครื่องบีบเนี่ยมันได้มดลูกเลยนาวหนึ่งลูกเอาโซดาตายสิงมาหนึ่งขวดใส่ด้วยกันแล้วกันน้เพึงจอนชาหนึ่งใส่ด้วยกันแก้วใหญ่แล้วเปิดน้ําพรอนใส่คือมันดูด กินทุกอย้าเอามากินมาเหมือนถ้าผัยบอกบอก บ, บต้องการเป็นมะเร็งนะพาะตัวเนี้ยระวังสาราห้องสารอยู่ในมะนาวเนียอ่มันมีสารตัวหนึ่งในมะนาวเนียสารที่สำคัญมากเมื่อไปบวกกับโซดาแล้วเนียมันจะมีพลังสูงเหนือกว่าคีโมเนียหลายพันเท่าแล้วมันไปทำลายอนุมูลอิสระเสยลมะเร็งทั้งหลาย หมายความว่าเสลล์พิษปกติทั้งหลายในร่างกายที่เป็นติยากรมะเร็งเนี่ยตัวนี้มันจะไปทํำลายมดเลยนะมันอย่าฟอร์มันอยหมายความว่าทุกคนมีมะเร็งอยู่ในตัวมดเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวมีอยู่ทุกคนหมายเซลล์เหล่านี้ถ้ามันสังสมกันนักเข้านักเข้าแล้วมันตไตนักเขานี่ยโรคมะเร็งมะเร็งนั้นบเป็นโรคของเขาว่าเนื้อร้ายนะเพราะว่าอย่างเซียวมันไตนั่งนั่งเข้ามันเน่ามันเน่าแล้วมันออกกวดดันดันนั่นมันก็ไปกลิ่นมูต่อหนึ่งนะ เอาไปกินนำเลื้ยงกินเลือด ก, กินย่งเขากลเขาอีิบป่วยแต่ถ้าหาว่ากินที่ว่านี่นะสุดามะนาวจาได้ก็ถ้าไครเน่ยไปจ้างขึ้นไปบนดอยด <laughs> ขึ้นไปบนดอยด <laughs> อ่อยาเนี่ยเพราะฉะนั้นทีนี้เขาจะต้องการเป็นเป็นศูนย์แนะนาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงที่มาหกเดือนที่ที่ไปอเมริกาเนี่ยก็เลี้ยงนี่ไปอเมริกายุโรป ก, ก็เอาเรื่องนี่ไปเผยแพร่ด้วย นีมาจะอยู่เมืองไทย6เดือนอยู่เมกาหกดุลโบรเมกาหลุบเดือนเนี่ยใน6เดือนส่วนใหญ่ก็ไปไ ป, ไปอยู่ที่สถาบันอสมศิลที่เขาเนี่ยก็เอาวิธีเนี่ยไปโอกล้มเขานะวิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ที่เขาต้องการศึกษาเรื่องเนี่ยกระเป๋าเจร์ริสตีก่อนถ้าคนได้บทเจร์ริสตีบทภาวนานี่ก็ยากๆเหมือนกันประการสําคัญต้องภาวนาไปก่อนเมื่อภาวนาเนี่ยคนเองหักษาตัวเองคนเขาอย่าหักตัวเองคนส่วนใหญ่บุคคลหักตัวเอง คนส่วนใหญ่ได้หักอย่างหักลูกหักเมียหักเราหักยาหักอาหารลำ้ลำล้ำหักของกินหมวนหมุ น, มนไปย่านบวใครหักตัวเองตัวเองอย่าเจ็บอย่าป่วยบวบบ้าขอได้กินลำ้ำขอได้หมุนขอได้สนุกเจกว่าถ้าอาหารที่ดีเนี่ยมันบปิเช่ลำ้ำแต่อาหารลำ้ำแล้วอาหารบวชใครดีแต่มันถ่วงนือข้ามนมะัเพราะอย่างอาหารดีเนี่หมายเขามันปรุงจนกระทั่งว่ารสเลิศเนี่ยมันหมายความว่านั่นคือตัวที่มันย่งเกิด สารพิษต่างๆแต่อาหารทีบโบนิเช่นกล้วยเนี่ยเอาไปบดชีก็กล้วยเนี่ยพอกินเลยเนี่ยอันไหนจะได้ทานอาหารหนักกว่ากันอ่าอามาบวชือบวชืออย่าไปบดชีบวชืออย่าไปสู้เกินไปนะพอกินเลยนั่นได้ของแท้เลยได้ทานอาหารเต็มที่แต่ว่ามันบลําสู้ไปบดชีบวได้น ะ, ะบชีบได้เพราะฉะนั้านานี่มันยากนะมันยากั้ที่ว่าเขาติดของกินพักเหมอกันนะเอาพักไป ต้มไปแกงไปนึ่งจนเละแล้วมันมดสภาพแล้วเป็นขยะย ม, มดแล้วพักเขากับสดหลวกก็หลวกพอหมัดหมัดไปหลวกมันซุกอีนะ่ะอันนั้นเป็นของมุตเพื่อนั้นวันหนึ่งแค่พักกระนมพริกเนี่ยก็สบายละมีอย่างก็ได้นั้นเขาจะหันว่าอาหารธรรมชาติมีอย่างเหลือเฟือบ้านเขานะ่ะแต่เข้าไปอยู่ต่างประเทศพักผลไม้ต่างๆสั่งมุติจากที่อื่นมดเขาอ ย, า, อยาจะได้มาเขาจะปลูกจะได้เขาจะพิส่ปุย๋ยใส่ยาฆ่ามแมลงจะได้บาหารเขาละ แต่ถ้าบ้านเฮาเนี่ยมันสามารถปูกลินได้เต็มไปเดียวนี่ไ่เยปูกลินเด้อบอกว่าบ อ, าบอาามีเวลาเวลาชั่วโ ม, มงไปปูพักก็เวลาชั่วโ ม, มงไปหาเงินจ้างกันเนาะเอาเงินไปซื้อมันก็เป็นค่านิยมใหม่ไปยันแล้วนั่นผมไม่พี่น้องเฮายจะไปเสียเวลาครับเลื่องไร้สาระเด้อเสียเวลากับตัวเองเนี่ยเนี่ใจให้ตัวเองสุขภาพดีเนี่ยบุพเพกฎลหมายถ้าเฮารอป่วยแล้วไปกินยาไปหาหมอมันบิกคุ้มกัน เสียถึงเงินเสียท้องเสียเวลาเสียสุขภาพแต่เขาบำรุงร่างกายคือดีคำว่าบำรุงนีหนึ่งมันกินน้ำอุ่นทุกเจ้าหนึ่งขวดนะขวดใหญ่อยนะสองถ้าบ่อยากเป็นเนมะเร็งกะมะนาวโซดาน้ำผึ้งสามถ้าต้องการอากาศดีกะต้องมันออกกำลังกายเล่นโยคะสีของเสียในร่างกายข้างหน้าเกินไปมันทำดีท็อกร่างพีทับ เนี่ยคีไอ้วิทยาการใหม่ๆเย่มันมีออกมาเรื่อยๆเขาก็ต้องตีตามหน่อยถ้าเขาโบได้ตามแล้วเวลาเขาเจ็บเขาป่วยขึ้นมาเนี่ยมันบาเจ็บป่วยจะเจ็บคนเดียวนะเนี่ที่พี่น้องกังวลมุดเยอะวะเวลาเขาป่วยนอนกับอู่อยู่กับเตียงเนี่ยโอ้ไปไหนโบได้คนนั้นอย่าไปไก่กังวลแล้วคนนั้นป่วยอยู่คนนี้อยไปทํามากินกับโบได้ลูกจะไปทํามากินไก่โบได้เสียการเสียงานเนี่ยเพืะอะี่เนี่ยจะได้เขาอย่าโบป่วยน่ยเฮ้ยเนี่อ่าเพว่าตามใจปาก ลำ บ, บากใจต้องตามใจพี่น้องลำ บ, บากใจตัวเองตามใจปากลำ บ, บากใจต้องนะห ม, มายความว่าเขา ก, กินตามปากเนี่ยร่างกายเขาแบบนี้อยากจะได้เขาจะเขาบอกวยกินข้าวบบจาเป็นต้องล้มทุกมือนะอบอต้องเต้นต้องล้ําทุกมื อ, อกินแบบสบายๆในเด่นนะกินแบบธรรมชาติที่สุดเลยนะมันจะอย่างเขาได้สุขภาพดีออกล้าไกาเจียก็ได้ขึ้นสวรรค์ละ คำว่าสวรรค์นในที่นี้หมายถึงว่ามาจากคาว่าสุขตินะคำว่าสวรรค์ น, นี่นะเราจะอยู่บนฟ้านะสุขติแปลว่ากายดีใจดีไหวจ่าดีเป็นสวรรค์ละกายกายสบายใจสบายอุสบายเป็นสวรรค์ละเรต้องไปสวรรค์ตรงบนฟ้ามันไกลไปนะเอาสวรรค์ใกล้ๆนี่ดีนะสวรรค์ในบ้านสวรรค์ในอกนรกในใจ แล้นั่นเลืองมือ น, นี่เอา ม, มาก็เรื่องว่าเวลามาไปชาวบ้านเนี่เอา ม, มาใครมานั่งอู้ฟังใช่ไมบูชิามาเทสหนึ่งตานว่าโอ้เทศ3าสิบนาทีพอเดอเจ้าบูิมะเทศั่นมันะอู้ฟังมันเหมือนปาค ก, กันเดียอู้สชั่วโมงกลนะได้ทเจ้าปฟังเปรับเอา ม, มาก็ฟังไปรับเหมือนกันนีนะเอา ม, มารั บ, บเกิน3ท่มเตือนบบเกินตีสาประมาณนั้นนะเาก็นอน6กชั่วโมงพอตืนุ่มเจ้าตั้งใจตีสามถึงเช่นเจ้าได้งานจัดหล ดีกว่าไปรับ5้าทุ่มตีหนึ่งไปตื่น8ปเโมงโอ้เสียการเสียงานเพราะว่ายัางร่างกายเขามันจะพักพอนในช่วงตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสเนี่ยพอดีเลยหลังจากตีสมไปแล้วนี่อากาศข้างนอกจะสดชื่นเขาตื่นคือมารับอากาศสาดสดใสคนใดตื่นหลังเจ็ดโมงไปแล้วนี่หมายความว่าบได้รับพลังจักรวาลละพลังจักรวาลจะออกมาเนี่ยตั้งแต่ตีสไปถึงเจดมงเจ้า พลังนั้นออกมาคุณได้ตื่นมาชมนั่งคุณน่นาจะแข็งแรงร่างกายดีสุขภาพดีถ้าตื่นหลังเจ็ดมุงเจ้าไปแล้วร่างกายอย่า เ, เน็ดเนยขี้หลกหลบไปค่อ ย, ยเจ็บปวเข้มแข็งนะดังนั้นนอนประมาณสามสามสตื่นทีสาเนี่ยถ้าคนแกลน้อยก็ตื่นทีสีก็ไดอ้อันนี้ก็คือผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นอยา่าคือโปรแมพีโน่งเนาะเขากา็เป็นคนสมัยใหม่แล้วเนี่ยถึงว่าเป็นคนเก่าแต่สมัยใหม่ เขาก็ต้องตัวเขาถ้าบขาดตัวเขาก็อยู่บ่ได้มีเดียวบ้านเขามีควายหนึสักตัวไถนาเยอะก็เออใช่โลดถึงนั่นบางที่ปลูกนาเนี่ยังใช้เครื่องนะเครื่อหันก็เครื่องปลูกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวเข้ากับบ่ได้เกี่ยวแล้วเขาก็ยังคู่จักว่าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช่แต่สำหรับการดูแลร่างกายของเขานี่จะบอกเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดูแลพ่องจะไปกินยาหาหมอเลยไปโนบ่อยเนาะนะเสี่ยงเงินเสี่ยงท้องแล้วเอามานี่ มีอย่างกะเรียกว่าทัดทิเชื่อกับอุบัติเหตุกัเล็กๆน้อยๆพึกษาหมอแต่บอกว่าได้ว่าจะต้องเอายาหมอมากินง่ยจะได้เอารักษาตัวเองได้กัเรื่องสมุนไพรบ้านเฮาก็เ่อประโยอกับศึกษาเรื่องน้ำมักกัเดี๋ยวนี้ออกมากนะเรื่องน้ำมักเรื่องชีวภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องต่างๆออกมากันนักทีเดียวแตอย่าเพิ่งไปนั่งสนใจห้องน ะ, ะเพราะัีนงานซพงานโบสถงานสวดงานเมนอย่างต่างๆเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเนี่ยนะ เอาตูเจ้าตลกปูง้างในี่ยมาเจ็ดหัวกันมวลหรือไม่ได้สาระอย่างนั้นเบ่นมัน่นมันก็เสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นงานซพสาวันเจวันเนี่ยถ้าหากว่าบอกขี้้านไปหลับเพื่อมาั่นัางอู่ถึงวันก็ได้แต่บ่ยใจเรื่องซ้ากันเด้อวันนี้เรื่องสุขภาพวันผูกกรรมฐานวันฮือวีปัสนาวันหนึ่งเรื่องการเมืองก็ได้เนาะเอาปรเดี๋ยวเขาเฉลาลาเขอไว้กันยากลำบากเหมืนกันเรื่องการเมืองบท่าเดี๋เด้๋ช่วงนี้นะดังนั้นเฮากะ ความจริงเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยจะต้องช่วยชาบ้านเรื่องข้อมูลด้านไหนะเรื่องข้อมูลด้านใดมันถูกกันใดมันผิดอันใดใจเบื่ใจเพราะทุกเจ้ามีเวลานักกับชาบา้านเพราะฉะนั้นมีเวลาจะต้องศึกษาหาความว่าหาข้อมูลต่างๆเวลามีงานศพงานสวดงานบวชงานเมตย่าทุกเจ้าน่ยก็ต้องมาอุบอต้องไปเตดเอากันเตดแต่แต่ตมาอุจชาบ้านฝังว่ามันเป็นจี้ฝังร้อยคนเน่ยถ้าเจือเอาไปทําสักซีบคนเน่ยก็ถือว่านี้แล้วอ่า แต่ถ้าหากว่าเขากับบริวารขน้าหนั่นนาะบางคนก็บบมีศรัทธาดูเจ้าอ้เหมือนใใหล่าค้าในเลิกไงเน้ะเดี๋ยวก็ด่ากันเหว่างล้งบา็เป็นบาป ก, กันมีดังนั้นเรื่องนี้เขาไผ่ญาติพี่น้องบ้านนปานถือว่าเป็นพี่น้อง ก, กันมดอะไผเป็นไผตายนเนี่ยบุต้องเกรงใจถ้ายูนะอย่ามาเตจเ่ยามาอู้ฟังบุต้องว่าเตนะเนาะไอเตจนี่เสียกันเตจนะออการเตจจมามันแปลงไงนะถ้าบุถึงถ้าบุถึงแสนน่ยบรับมันนถ้าถึงแสนมันได้ก็รับเหมือนัน ดังนั้นเองเขาต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันต้องช่วยในแง่ของฮอมูลช่วยกันในแง่ของการดูแลสุขภาพเนีย่ยจะได้มันสบายวันนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องจับมัธี์มาอู้นะไปกินน้ำอุ่นนี่ยามากก็ปล่อยใจแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จละเด็ดว่านี้นะหรือว่าดีก็น่าเห็นพ้นไปกินโซดามะนาวน้าเพิงก็ถือว่าได้สองได้สองได้สขั้นละเออเห็น้นได้ถึงสามได้ออกกําลังกายพ่อแม่นะ ก็ได้ไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันอยู่ดีเขาอย่าเอาเบาบาคนจะกินบนผูกกลิ่นจะแก้วบนนื้อกลิ่นแก้วบนบ่อปลอยนะต้องกินขวดหนึ่งนะขวดใหญ่ขนาดเล่ามดหลายขวดเท่านีกินได้ก็อันนี้น้าอุ่นดีๆเนี่ยเขาจะได้กินโบได้นี่มันต้องกินได้นะบ่าวันนะดังนั้นในเรื่องของการข้อมูลสมัยใหม่เนี่ยต้องช่วยกันเอาไปศึกษานะกระบอกจำเป็นต้องเชื่อแต่ก็บอกจำเป็นต้องปฏิเสธนะต้องไปญย่พอก่อน มันแมนก็ถ the the so ้าไปญาติแล้วได้ผลก็เออถือว่าได้บุญด้วยกันญาติแล้วแต่ว่าบดยเฉพาะวันสองวันเขาได้ผลไม่ใช่นะมันญาติไปเรื่อยเรื่อยยังเอาหายใจนี่ยโอ้หายใจมาเมือเดือสูบพอละบุต้องหายใจต่อไปอีกหน่อย่างนี้หน่อได้กว่าอุ้ยได้กว่าประสัทประสัทหายใจมา50สิปีแล้วโอ้พอละย่างสักวันก่อนขี่ข้านหายใจเนี่ยโอ้ได้กว่าบุได้น่ะกินเข้ามาเหมือนกันทั้งเดืเกิดจนทุกวันน่ะย่างพอสักเจ็วันกินเข้าน้อย่างกินอิด ก็อู้โบได้เหมือนกันเหมือนกันการดูแลสุขภาพโบจะบอกดูแลฟังโบดูแลฟังมันโบได้ต้องดูแลตลอดนะดังนี้เขาก็จะได้มีร่างกายเขาขึ้นสวรรค์ก็คือขึ้นปัจจุบันนี่อย่างแต่ว่าถ้าเขาบดูแลร่างกายเขามันจะอย่าโบสบายโบสบายก็คือโบโบขึ้นสวรรค์ก็ไปนรกนรกนี่แปลว่ามันโบเจริญนะร่างกายโบเจริญชีวิตใจโบเจริญอารมณ์โบเจริญ มันก็ถือว่าเป็นนรกนั่นแหะนรกหมายความว่ามันบวชเจริญบวชเจิญบวเจริญหูบวเจริญเวลาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยพออยังมันก็ะเบลมนหูมันตามดนั่นเขาเรียกว่นบวเจริญแล้วก็เป็นนรกล้บวต้องไปว่ารอตายเราไปตกบวต้องมันก็เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเฮาเวลาเฮาเกียดเฮาขมพออยังควางหูควงตาไปมดอันนั้นน่ะมันก็เป็นนรกแล้วนะบวต้องไปร้อมันตายนะแลนั้นในชีวิตของเขาเนี่ยบวถึงร้อยปีอยากจะได้มันมีความสุขความบานความสงบ เย็นอกเย็นใจนะบางคนก็ บ, บอกว่าโอ้เย็นบมได้ทูกเจ้าเป็นนี่ตั้งหลายแสนที่มา น, นัง่งเย็นสบายนี่ยังไงได้โบมีบโบมีก็หาโบมากคยซื้อโบอต้องหาการท ง, งานทํากันหมดับเพราะคิดเองกันมันก็ลำบากอันนี้เนาะเป็นวิบากกรรมเนาะแล้วนั่นพ่อแม่พี่น้องถ้าจะได้ขเขาเพื่อร่างกายเข้มแข็งเอาไว้นะชี้ใจดีๆต้องอยู่ในต้องอยู่ในร่องอนางกายที่เข้มแข็งเป็นว่าสบ า, ายในสาบายดีเนาะ หลังกายชี้ใจดีๆต้องอยู่ในหลังกายที่เข้มแข็งบนว่าแล้วนั่นก็นเขาเอามาไปพินิจพิจารณาว่าบ้านเฮาเนี่ยเต็มไปด้วยของปลูกฝังนะเต็มไปด้วยของที่เป็นสารธรรมชาติที่บอกมีพิษมีไม้อย่างเขาก็กินพวกนี้พักตามตลาดการรี้ของซื้อของขายถ้มาขายตามรถขายก็อย่างขายนี่บอ ก, บอกหน้าไหวใจเนาะ เพราะว่าปลาทูกระชืน่นก็มาขายกันสวันเจวันโดยบนเน่าบนเสียบนบนูนเนี่ยมันพี่สังเกตแล้วมันต้องใส่สารอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็เขาให้เอาได้ดูแลซึ่งกันและกันนะแต่เขาไปนั่งเฝ้ากันป่วยแล้วเนี่ยมันบอกบอกขุ่มค่าวเสียเวลาคนป่วยก็บบดีขึ้นเขาไปเสียเวลาทำมาหากินอธิบว่าตั้งคนตังสุขภาพดีเนี่ยตั้งค์คกิดตังทําการทํางานมีสตีปัญญาดีสมองดีธรรมะก้าไขา มันกับกาวนาะลูกหลานเขาก็ได้เฮียนนะแล้วสำหรับต่อไปขอแจ้งข่าวยังเด้อลูกหลานคุณได้ที่เฮียนจบมองกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต้องการเฮียนในขณะทาดงด้านศาสตร์ทนหน้าซุขนี่นะบอกคุณธรรมาเพราะว่าอาจารย์ถาวอที่เปุ่นแ ย, ยมาสอนอยู่อันนี้เปุ่นฝากมาหนะถ้าอู๋กัจจบ้านเปแย่มาสอนอยู่สุโขทยัยอยู่นี่แล้วปิ่นเปิเปนขนดขณะศาสาร์ทนหุขโดยติดบทต้องได้สอบเขา้า นะแล้วก็บอต้องว่ามีพื้นฐานจบวิจจบคณิตมาบอกเลยเมื่อไปปรึกษาเปุณ น, นะอันนี้ก็เปุณฝากมาเพราะว่าทางดา้านมหาลัยสุโขทัยเนี่ยปุณเฮียนได้ทางดา้านสาธารณสุขด้านพยาบาลต่างๆเพราะนั้นในนี่ก็บอกข่าวกันเพราะสมควรก็ขออนุมโมทนาสาธุวณีนะเพราะว่าทุกเจ้าเหมือนได้สวดต่อไปอก็คือนาเอาสิ่งละอันพระละโหนดที่มาอุ้กันวัเนี้ยมันอันใดเป็นยุคเป็นยาเป็น สิ่งที่ดีก็นําไปพินิจารณาจะเชียกก็ได้โบเชียกก็ได้แต่ถ้าทดลองดู ก, ก่อนพี่สูจน์พอก่อนถ้ามันดีก็ง่ายต่อไปถ้ามันบ่ดีก็ไปปรึกษากันโอ้กินแล้วบริความเป็นยังได้ก็ไปปรึกษากันได้นะก็ขอขึ้นพรมไพี่น้องที่ได้มานั่งฟังการอู้กัจญาวันนี้นำไปปฏิบัตไิไปศึกษาพอือได้รับผลได้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์สะอาดสว่างสงบ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิร์น